ความปวดความเม้ยมันก็บอกแล้วว่านี่คือความปวดความม่อยคืออาการที่มันเกิดขึ้นกับกายคล้ายๆมันบอกเราเราก็ดูเอาเห็นเอาเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็ขี้ได้เลยว่านี่คือความง่วงภา ษ, าษาธรรมเลยว่านี่วอนและท ม, มันเป็นของที่กนั้นคิดไม่ใช่เป็นมิตรของเราเราก็หาวิธีที่จะ เปลี่ยนความม่วงให้เป็นความรู้สึกตัวให้เป็นความรู้สึกตั ว, วเรามันก็เปลี่ยนได้แม้นมันเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวซ่อมแล้วซสมอีกเช่นกันเราจะต้องต้องตรงนี้จะต้องสร้างตรงนี้เปลี่ยนมาเป็นอันนี้หรือความรู้สึกตัวนี่อะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่เอาเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมด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 เราได้ใช้มันแล้วใช้ตัวรู้แล้วเพราะมันมีมันมากเหลือเกินจนเป็นมหาลู้ในชีวิตของเราเรื่องกายเรื่องใจทั้งหมดเป็นสมบัติของความรู้สึกตัวทั้งหมดตอนนั้นแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเหตุอยู่ตรงไหนมันก็ต้องมีผลอยู่ตรงนั้นผลจาความรู้สึกตัเนี่ยกลายเป็นวิปัสนาญาณลู้แจ้งเกิดเรืองทางปัญญา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 มันไม่เอาความหลงภาษาอะไรความโกรธความทุกข์ความไปตกกังวลความเศร้าหมองมันหยาบคลายไม่ต้องไปอดปทนถ้ามีความรู้สึกตัวดีแล้วนะมันก็หมดไปเองนกับความมืดที่อยู่ในรอบตัวเราพอมีแสงสว่างความมืดมันก็หมดไปเองชีวิตของเราทั้งหมดในตัวรู้กับตัวหลงเท่านั้น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 วัสดุอุปกรณ์ก็มีเ อ, อมามอผิดออกมาผิดออกมาผิดออก ม, ออกมันเกิดความรู้จักตัวต่อต่อกันไปต่อต่อกันไปยาวไปมากไม่ยากแต่บางคนไปคิดเป็นเรื่องยากก็ะจะสร้างสติก็เอาเก้งเอาจังะจะเอาให้ได้เพ่งเข้าไปแล้วก็กลายเป็นความเครียดกลายเป็นความเบือ่อกลายเป็นการเข็ดหลับไปเลย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 มาเหนือเหตุนะผลความรู้สึกตัวเหตุผลยังไม่ใช่สัจธรรมหรอกผมรู้สึกตัว ร, ตรู้สึกตั ว, ตวอาจจะรู้ไม่เก่งที่แล้วอาจจะเครึ่งรู้เครื่องหลงมาช่างมามันหลงไปบ้างกลับมาลูหลงไปบ้างกลับมาลูมันจะเก่งตอนที่เรากลับมาลูที่แหละไม่ได้เก่งตอนที่เรานั่ ง, งานานๆเราเดินานานๆเราไม่หลับไม่นอนอนั้นไม่ใช่อาจจะเก่งต่อเมื่อเรา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 มันาจะหลงไปทางอื่ น, ก, ก, ก, น ก, ก็กลับมาตั้งไว้เองมันหลงไปก็กลับมาตั้งไว้เถ้าได้กลับมาหลายเที่ยวหลายครั้งหลายหนมันจะเอียงมาทางนี้ง่ายที่จะไม่หลงในแรกง่ายที่จะหลงแต่เรากลับมาบ่อยๆกลับมาบ่อยๆมันก็ง่ายที่จะไม่หลงมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติกฎของธรรมชาติธรรมชาติของกฎธรรมชาตินี่ยิ่งใหญ่ความรู้สึกตัวความหลงตัวนั้น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 คึกคักหน่อยหนึ่งเราพ่อก็คึกคักครับแต่ก่อนไม่คึกคักยังไม่เห็นเ น, เนี่ยเทียนียเนี่ยคึกคักขึ้นมาโยมคึกคักขหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะโยมหรืออ่อนแอไปเลยคึก ค, คักขึ้นหน่อยไะแไหมนี่มันเสริมพลังนะมันมีศรัทธามันมีความเพียรมันมีบร ร, าาบรรยากาศบรรยากาศวันนี้ไม่ใช่วันนี้วันเดียวมันมีอีกไปหลายวันในชีวิตของเรา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 แล้วี่มันยังต่อไม่ติดมันยังครึ่งหลงครึ้นรูปนี้พอโตให้มันติดแล้วมันไปของมันเองอ่ะสี่วันสีปีมันก็รูปอยู่ตรงนั้นรูปอันเดียวความรูปวันนี้อรายังยังไม่ชัดเจนเพราะมันถูกแบ่งถูกแยกแต่ความรูปวันข้างหน้าถึงเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาเราจนจริงๆน่ะมันจะช่วยเราได้เวลานี่เรายังมีทางออกต่างอๆเช่นเวทนา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 เวทนาก็เหมือนกันที่มันสุขมันทุกข์ก็คือเราพอเราเห็นไปเห็นไปมันไม่ใช่เราเวทนาสักว่าเวทนามันไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาเราเสียเวลาเพราะเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์อันนี้พอเราเห็นว่าโอ้เวทนาน้อยบางทีเวทนาบางอย่างต้องขอบคุณขอบคุณเขาเราได้บรรลุธรรมเพราะเวทนาขอบคุณรับ